บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะใ่การปฏิบัติกรรมฐานของข่านสระโชนทั้งหลายสิบต่อไปวิลญาแห่งธรรมะที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกประยายนั้นมี่สังเกตว่าในขั้นของการปฏิบัติแล้วค็าสามารถเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ แล้วเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของธรรมะก็จะเกิดขึ้นเป็นตามมาเพราะความเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันของธรรมะเหล่านั้นยางในกรณีของสัพ ป, ปรโกเกรเตนะเบียตับสัญญาคือข้อที่ส่งสอนให้กำหนดมาหเห็นว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องน่ายิบดีหรือเป็นสิ่งที่ควรแก่การยินดีอารมณ์โลกนั้นที่นํามาชี้มากที่สุดก็คือความยินดีกับความยินร้ายหรือความชอบกับความชังหรือความรักกับความเกลียดเป็นต้นก็เป็นอารมณ์ที่บุคคลสัมผัสอยู่ได้ในแต่ละวันแเรวก็สัมผัสมากๆเสียด้วยเพิ่งสกเกตว่า จากจุดของการกำหนดว่าหน้ายินดีนั่นเองเมื่อพริกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นหน้ายินร้ายไปได้เช่นต้องการสิ่งอะไรแล้วได้ตามต้องการความยินดีก็เพิ่มขึ้นถ้าเกิดไม่ได้ตามต้องการความยินร้ายก็เกิดขึ้นและในจุดของความยินดียินร้ายที่เริ่มต้นจากความยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้นั่นเอง ก็จะกระจายตัวเองออกไปในลักษณะต่างๆเจนความยินร้ายที่เกิดขึ้นมากๆจะเกิดขึ้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับเช่นอาจจะเริ่มจากความคิดฟุ้งซ่านสายไปในที่ต่างๆจนกลายเป็นอาการหงุดหงิดและในที่สุดก็จะเกิดอาการงอยเหงาเสื่องซึมเบื่อหน่ายชิงชัง จนเกิดเป็นความโกรธความอาค่าดพยาบาทแล้วก็จะมีความสงสัยในเกิดขึ้นภายในใจข้งตนนี่จะเห็นได้ว่าเริ่มจากความยินดีแต่นิวรณ์โลกอื่นก็เกิดขึ้นมาได้โดยดำดัและแม้แต่ตัวของความยินดีเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเกิดความยินดีมาก จิตใจก็จะส่ายไปในรมต่าง ๆ, ๆส่ายไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาโพลิภะที่ใจไปกำหนดว่าน่าจนดีและในที่สุดก็จะเกิดปัญหาครับคล้องขึ้นภายในใจที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของตนได้ก็เป็นอาการของความหมึดหมัดถึงจุดหนึ่ง แม้ยินดีในเรียกว่าเนคขมัสุขคือสุขที่ออกจากการรมแต่ถ้ามีกำลังไม่มากพอมันก็เกิดเป็นความเครือบแคลงสงสัยเกิดมาได้จางที่พระเจ้าทรงเล่าถึงประวัติของรองเองบ้างหรือประวัติของบุคคลทั้งหลายในอดีตบ้างมาเป็นตัวอย่างเช่น พระโพธิสัตว์เกิดพิจารณาเห็นโทษของการอยู่ครอบครองเรือนปรารถนาที่จะออกบวตรบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีปัญญาก็ขอร้องรองให้คลอดลูกซะก่อนจึงออกบดตพอคลอดลูกเสร็จปัญญาก็ขอร้องให้ลูกโตสัหน่อยพอลูกโตแล้วก็มีคันขึ้นมาใหม่อีกก็ขอร้องให้ ออกบทเมื่อครอดลูกคนที่สองต่อไปท่านก็ลังเลอยู่อย่างนี้จนกว่าจะได้บวจริงๆปัญญามีลูกถึงสามคนแล้วก็โตพอจะเลี้ยงดูดูแลตัวเองได้จึงได้บวชลักษณะเหล่านี้แม้ในเรื่องของหมาชนกชาดกจึงเคยแสดงมาท่านจะเห็นว่าระหว่างความยินดีกับความยินร้ายนั้นก็ต่อสู้กันอยู่ภายในใจ แ, แม้แต่ความยินดีกับความเบื่อหน่ายถ้ากำลังขวายใดขวามหนึ่งไม่มากพอก็ก่อให้เกิดอาการเป็นความคลุ้บแคลงสงสัยความไม่แน่ใจว่าจะไปดีหรือว่าไปไม่ดีแม้แต่การที่จะออระพฤตธปฏิบัติพรหมจรรย์ของบุคคลบางคนในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่หลังพุทธกากลกลังเล้แล้วลางเลอีกอย่างนั้นเอง แสดงว่าจากความยินดีมาสู่อุทัศจากกากุกจ่และมาสู่วิจิกิจาและในความยินดีบางอย่างมันก็อาจจะนําไปสู่ทีนันพิธะคือความเมื่งเอาหามนอนพอเกิดไม่สมหวังตามที่ตนยินดีพอใจมันก็เกิดเป็นความโกรธและความมาคาดพยาบาทอันใจคนก็หมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ท่านหนึ่งชายคู่คู่กันไปอภิชาโธมนัท ความยินดีความยินไรน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาความรักความชังแต่ที่จริงแล้วจะสอนจากจุดไหนก็ได้เมื่อบคุคคลศึกษาประพฤติปฏิบัติตามไปถ้าในส่วนของการละ ก, กิเลสกิเลสข้อใดข้อหนึ่งได้ละไปกิเลสอื่นก็ต้องลดตามไปด้วยในส่วนของธรรมะส่วนใดที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติส่วนอื่นก็จะเพิ่มตามขึ้น ม, มา มันเป็นลักษณะของธรรมะลักษณะของกิเลสซึ่งสามารถดูได้พิจารณาเห็นได้ภายในจิตของตนในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันการมองในแนวให้เกิดความยินดีนั้นตัวการสำคัญจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกเพราะวัตถุภายนอกนั้นเป็นอภยากะตะธรรมแต่เราจะเข้ากลุ่มแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตย์ เรียกว่าเป็นปริญาแต่ปิดธรรมคือธรรมะที่เราจะต้องกําหนดรู้สภาวะที่แท้จริงเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นเขาเขาอย่างนั้นใครจะยินดีเขาก็เป็นอย่างนั้นใครจะยินร้ายเขาก็เป็นอย่างนั้นใครจะเฉยเฉยเขาก็เป็นอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั่นจึงทรงชี้มาที่ตัวการใหญ่ซึ่งบางครั้งใช้คําสรุปว่าความรู้กับความไม่รู้จะรับสั่งเป็นพุทธภาษิตว่า เธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุ ร, ราชรดที่พวกคนเข้าคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่พราะการยึดติดหรือการคล่องในวัตถุภายนอกหรือในอารมณ์ของโลกนั้นไ ม, ไม่ได้อยู่ที่ตัวอารมณ์โลกเป็นผู้กำหนดแต่อยู่ที่ความรู้กับความไม่รู้เป็นผู้กำหนดตราบตราบใดที่ความรู้ยังไม่ประจักษ์แจ้งแก่ใจ ใ้ความรู้นั้นไม่มีกำลังมากพอความค้่องความติดก็ต้องมีอยู่แต่เมื่อปริมาณของความรู้เพิ่มขึ้นภายในใจก็จะถ่ายทอนความค้่องความติดในอารมณ์โลกออกไปโดยลำดับจนสามารถอยู่ในโลกอย่างไม่ค่องไม่จิดได้นั่งก็เป็นอีกระดับหนึ่งแม้จะเป็นอีกระดับหนึ่งก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่า ในชีวิตประจําวันของเราที่ผ่านมาจนถึงขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งต่างๆเป็นอันมากที่เราเคยคล่องเคยจิตในสมัยที่เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ปัจจุบันก็เลิกคล้องเลิกจิตเลิอกอยากได้เลิกควายคว้าเลิกสนใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าจะถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาตอบว่าเพราะเรารู้มากยิ่งขึ้น ร, รู้ถึงเหตุถึงผล ของสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นด้วยความเหมาะความควรบางครั้งมันอยู่ที่วัยเป็นตัวกําหนดก็นึกถึงวัยของตัวเองก็เห็นว่าอายุเราปู๋นี้แล้วไปทำอย่างนั้นก็ดูเป็นเด็กๆไปก็แสดงว่าเป็นลักษณะของอตัตตันอยู่ตาคือความเป็นผู้รู้จักตนโดยชั้นโดยวัยโดยสถานะหรือแม้แต่โดยโดยกาละเทศะเป็นตน้น ก็สามารถที่จะหยุดตัวเองลงไปได้ไม่ประพฤติกระทาอย่างที่เคยประพฤติกระทมาเพราะันขั้นตอนเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางจิตที่มีความเจริญเติบโตขึ้นแต่ตามปกติแล้วถ้ากิเลสแกไม่สงบลงไปแกจะเปลี่ยนจากการยึดติดในสิ่งหนึ่งหรือการเพลิดเพลิน พ, พอใจยินดีในสิ่งหนึ่งจะกลับไปหาอีสิ่งหนึ่งก็ได้ ถ้าเป็นการข่อยคว้าที่สูงกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีลักษณะเป็นบันไดยอยู่แล้วในการปฏิบัติธรรมตัวอย่างพึ่งสังเกตเช่นทรงสแสดงเป็นภพต่างๆหรือเป็นภูมิคือชั้นประณีตของจิตด้วยแต่ภพก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายด้วยที่จริงก็มีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ากิเลสปนจางลงไป ทำให้ใจสูงขึ้นประนีตขึ้นภูมิจิตก็สูงขึ้นประนีตขึ้นพบที่อยู่ก็สูงขึ้นประนีตขึ้นแม้บางอย่างที่อยู่จะไม่ประนีตแต่ถ้าจิตมันประนีตสถานที่นั้นจะไม่เป็นอุปสรรคของบุคคลเหล่านั้นนี่เป็นการแสดงรูปของความขัดเกลา มีอาการข่อยคว้าปรารถนาไปเรื่อยๆจนในที่สุดเพราะความเจือจางเบาบางของกิเลสนั่นเองก็จะมีปัญญาบางเกิดขึ้นมองเห็นว่ายังมีสิ่งที่ดีขึ้นไปกว่านี้บุคคลก็ก้าวหน้าต่อไปในการประพฤติปฏิบัติก็ปลูกชันท้าเพิ่มขึ้นความเพียรเพิ่มขึ้นจิตใจมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นใช้เหตุผลใช้สติปัญญาสูงขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ตัวเองได้ในขณะนั้นๆตลอดทั้งในชีวิตประจําวันและในช่วงที่เป็นการถาวรตอนนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการพยายามขัดเรากิเลสเป็นเหตุให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายนั่นเองในกรณี้ท่านเน้นไปที่ตัวอนุสัยคือกิเลสที่นอนสงบอยู่ภายใน อย่างที่บอกแล้วว่ากิเลสประเภทนี้จริงๆแล้วแกไม่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจหรอกแต่ต้องมีอารมณ์อะไรข้างนอกมากระแทกกระทันกิเลสก็จะฟูขึ้นรับอารมณ์เหล่านั้นแล้วจะมีการกําหนดอารมณ์เรื่อความรักเรื่องความจา้างหรือเรื่อําำนาจกิเลสสายใดก็ตามฉันยกตัวอย่างว่าเพราะว่าราคานสายัย คือการกำหนัดในความมีความเป็นตลอดถึงกำหนัดในพบที่นอนสงบอยู่ภายในใจพอมีอารมณ์อะไรมากระตุ้นก็ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ก็ฝูขึ้นภายในใจก่อให้เกิดการกาหนดหมายอารมณ์ต้องการความเป็นในสถานะต่างเนื่องจากตัวภาวะตัฏฐาหรือภาวะราคะนี้ เป็นกิเลส ท, ที่ลึกอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันมีตัวการลึกๆอยู่ที่ความเห็นว่าสิ่งนั้นเที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงปรารถนาข่อยคว้าสถานะความเป็นกันด้วยประการต่างๆแต่เวลาข่อยคว้าก็จริงๆปรากฏว่าไม่ยอมหยุดเป็นอยูต้องการเป็นอยู่เรื่อยไปแต่เพราะจิตใจของบุคคลถูกรุ่มรุ ม, รมด้วยอำนาจของกิเลส การควบคุมทิศทางก็การข่อยคว้าหรือปรันาความเป็นมันก็ถูกบ้างผิดบ้างในกรณีที่ถูกระดับหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าระดับสูงขึ้นไปก็ยังเกี่ยวเกาะอยู่ในสังสารวัตรนั่นเองวันนี้อย่างที่ทรงแสดงเป็นรูปของบันไดในโพราราสานิคือธรรมะที่ทรงเชิดมากทรงแสดงเรื่องฐานเรื่องศีล ซึ่งมาเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแล้วจะขัดเกลาวจิตใจของบุคคลให้มีกิเลสลดน้อยเบาบางลงไปและผลจากการลดน้อยเบาบางนั้นเองก็ทำให้ภูมิจิตก็อยู่ในกาบาวจระภูมินั่นแหละแต่มันประณีตขึ้นก็ให้เกิดในภพที่ประณีตคือกามาพรจรสวรรค์ทั้งหกชั้นในช่วงนี้ถ้าเทียบกับช่วงแรกมันก็ดีกว่า แต่โดยสภาวะแล้วไม่ช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ปพระจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั้นมุ่งการหลุดหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะถ้าเทียบเคียงกระดับล่างเขาก็ดีเทียบเคียงระดับบนเขาก็ไม่ดีจึงทรงแสดงให้เห็นว่าการมาสุขทั้งหลายแม้จะเป็นชิพก็ตามมันก็ก่อให้เกิดการข้องติด ไม่ได้ช่วยกวนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะยังทรงแสดงในรูปของโทษเรียกว่าการมาทินกุศโทษของกาให้เห็นซึ่งกอ น, นีท่านทัสาสาธุรชนทั้งหลายมองไปที่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายก็ได้แสดงว่าพระองค์หลุดพ้นแล้วจากบ่วงทั้งบวงทั้งที่เป็นของชิพทั้งเป็นของมนุษย์คำว่าบ่วงนั้นก็คือวัตถุกรรมทั้งหลายทัเงเดง ใน แ, แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกรีนเป็นรถก็แสดงว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดนั้นอยู่ที่หลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงหลุดพ้นจากจิตที่เกี่ยวเกาะในวัตถุกรรมทั้งปวงแต่การจะหลุดพ้นได้มันก็ต้องมองเห็นโทษพราะตัวเพราะว่าราคาเพราะว่าราค า, า, า, ค า, นาอนุัยอนุัยคือ การกำหนัดในความมีความเป็นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลจะถ่ายถอนจะเกิดความผ่อนคลายอย่างน้อยก็ลงไว้สีบ้างอย่างไปถึงก็ยื้อแย่งกันมากเกิดไปเราเห็นว่าบางครั้งยื้อแย้งจ น, นถึงลงทุนทำบาปด้วยประการต่างๆในลักษณะเป็นการเรียกว่าตลุยบอลลังเลือดขึ้นไปต้องฆ่าคนต้องสูญเสียเป็นอันมาก แล้วตัวเองก็ได้เป็นอย่างนอนไม่สงบสะดุ้งผวาอยู่ตละดตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่เราเห็นได้ชัดเช่นพระเจ้าจันทรคุบซึ่งเป็นปู่ของพระเจ้าอาโสมมารัชท่านสถาปนาราชบงเมาระยะขึ้นมาด้วยชีวิตวิญญาณของเพื่อนร่วมโลกเป็นนั้นมาตลอดระยะเวลา26ปีที่เสวยราชอยู่นั้น เป็นการสวยราชท่ามกลางความหวาดสะดุ้งความระแวงจนเป็นอาการทางประสาทแม้พระราชวงศ์ใกล้ชิดเข้าไปก็ต้องสะดุ้งต้องคว้าจับดาบตลอดจนไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้ต้องสะละราชาสมบัตินี่ตัวเร่งตัวกระตุ้นจริงๆก็คือภาวะราคาต่บนแรงเกินกำลังแรงจนถึงขอให้ได้มาอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงวิธีการได้มาว่าจะถูกหรือจะเหมาะจะควรยังไงบางครั้งนำฆ่าคนเป็นพันๆนคนในคราวเดียวกันจับ่อยครอกปิดเอาตายหมดตั้งประสัก์เพียงเพื่อรักษาสถานะความเป็นของตัวเองไว้เท่านั้นนี่คือภาพสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของภวารา่ะเวลาแกเกิดขึ้นปรุงจิตแล้ว ถ้าไม่ควบคุมทิศทางของความปรารถนาเอาไว้มันจะมีปฏิบัติการรุนแรงออกมาในลักษณะต่างๆก็เรียกว่าหักหรือโหดหรือย่างในปัจจุบันการปรารถนาความเป็นกันในด้านต่างๆส่วนมากเราจะมองกันในแง่ความรู้ความสามารถผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ยอมรับนับถือกันแต่เพราะตัวประวัตราคะ เพราะว่าราคานสใสที่มีอยู่ภายในใจเป็นสูงไอ้ควายหนึ่งปรารถนาได้ควาหนึ่งปรารถนาเป็นแล้วก็มีการประสานประโยชน์กันความปรารถนาจะเป็นก็ต้องหาผลประโยชน์มาให้แก่ผู้ปรารถนาจะได้จะมีลักษณะซื้อขายยศชั้นตำแหน่งกันโดยวิธีการต่างๆเราจะเห็นอาการของกิเลสสองตัวคือการมราคานสัยกับเพราะราคานูใส ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลสองฝ่ายแต่คนสองฝ่ายนี้ให้ลองสังเกตว่าบางครั้งก็ผสมกลมกลืน ก, กันไปได้เพราะอะไรเพราะสามารถให้ตามที่ท่านได้และคนที่ให้ก็ได้ตามที่ตนอยากจะเป็นแล้วก็เป็นการประสานประโยชน์กันอยนู่แต่ถ้าในวันใดวันหนึ่งพวกการราคานุสัยมีกำลังมากต้องการได้มาก คน้อยก็ต้องตอบสนองเพื่อต้องการจะได้เป็นแต่ถ้าไม่สามารถหามาได้ตามที่เขาต้องการในความอยากเป็นของตัวเองก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็เกิดเป็นโทสะเกิดเป็นปฏิฆาเกิดมาออกมาในรูปอาจจะเขียนบัตรสนเทศอาจจะโจมตีหรือรุนแรงก็อาจจะถึงกับทําลายล้างกันเพราะพฤติกรรมรุนแรงเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นในสังคมนั้น มันเกิดขึ้นจากการกำหนดว่าน่ายินดีหรือน่ายินร้ายเราก็แสดงอาการออกมาอย่าบัาง้งกลางบ้างละเอียดบ้างตามสมควรแก่อาการของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพราะในจุดของพระพุทธศาสตร์ศานานั้นแม้ในระดับที่เรายังมีตัณหายังมีอนุสัยเหล่านี้อยู่นั่นเองแต่จะสอนในรูปของการควบคุม เป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าจะไม่เน้นที่ตัวความเป็นเพราะความเป็นนั้นแท้จริงมันเป็นผลคุณดูตัวอย่างโครงสร้างการทํางานของพระพุทธเจา้าที่จริงพระเจ้าก็ปรารถนาความเป็นเหมือนกันคือเป็นผู้ไม่ต้องตายเป็นผู้ไม่ต้องเกิดนะในช่วงแรกนะปรารถนาความเป็นผู้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไป แต่ว่านั่นมันเป็นผลเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของตนปรากฏว่าพระองค์ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะทําให้เป็นผู้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปพระองค์ลงมือกระทำแต่การเสด็จออกผนวชบำเป็นเปียนแสวมผัสค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆนั้นเราจะเห็นว่าก็คือมุ่งสร้างเหตุเพื่อเกิดผลในแก่ความเป็นผู้หลุดพ้นจากความเกิดและในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็น นั้นวงการวงจรที่ถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติกา น, นก็คือการตรวจสอบตัวเองโดยหลักของอัดตันอยู่ตาเรื่อความเป็นผู้รู้จักตนโดยสมควรแก่ฐานะแล้วขณะนี้ตัวเองเป็นอะไรมีหน้าที่มีภารกิจอย่างไรและหน้าที่ภารกิจเหล่านั้นได้ประพฤติได้กระทามากน้อยแค่ไหนมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือไม่ยังมีจุดอะไรที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข บางครั้งจะส่งสอนในรูปให้คิดในแต่ละวันเช่นนั้นพิจารณาเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทำอะไรอยู่เพราะสถานะความเป็นได้ยิงเราก็เป็นอยู่แล้วทุกคนก็เป็นอยู่แล้วแต่ให้มาดูที่การกระทำว่าเรากได้กระทำเหมาะสมกับสถานะความเป็นหรือไม่เพระาะถ้ากในช่วงที่ยังเป็นเล็กๆอยู่ยังทำไม่ได้ แม้จะคอยคว้าปราถนาความเป็นที่สูงสูงขึ้นไปจนมีสำนวนที่พูดกันว่าได้ถึงหรือถึงเข้าถึงเงินถึงตัวเองเกิดขึ้นไปเป็นข้ามันมก็ทำอะไรดีไม่ได้ถามาตันหามีไม้อนุสัยมีไม้ก็ตอบว่ามีก็คงมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเรากูบคุมทิศทางเขาได้ก็กิเลสนั้นเปรียบเหมือนไฟ ปัญหาอยู่ในช่วงไหนช่วงที่มีคุณอนันต์หรือช่วงที่มีโทษบาหันไอ้ความเป็นคุณเป็นโทษของไยนั้นมันอยู่ที่การคุมได้หรือคุมไม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะคือคุมได้หรือคุมไม่ได้นั้นบางครั้งคุมได้อยู่ขณะหนึ่งแต่อีกขณะหนึ่งมันคุมไม่ได้พะช่วงที่คุมไม่ได้นั่นแหละจะเป็นอันตรายในช่วงคุมได้เราก็ใช้ประโยชน์มันได้ผู้ภาวนาคาโนสัย หรือพูดง่ายๆว่าความกำนัดด้วยความยินดีในความเป็นต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือใช้ประโยชน์จากความเป็นเช่นสมมุติว่าเป็นอะไรเป็นพระพระเจ้าก็ส่งสอนในรูปของเรียกว่าสมณะสัญญาคือนึกถึงความเป็นของตัววันนี้เราเป็นอะไรมีสถานะมีหน้าที่อย่างไรแล้วควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร หรือเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นต้นเนี่ยคือเราคนเราแต่ละคนมันก็เป็นอยู่มากมายแคลของในจุดที่ตัวเป็นอยู่นั้นแหละก็พยายามทําให้ดีการทําได้ดีนั่นคือคุมทิศทางของกิเลสไม่ปล่อยคว้าปรารถนาความเป็นจนถึงก็ไปยื้อแย่งจนถึงก็ไปซื้อหาจนถึงก็ใช้วิธีการที่ผิดคันลองแข่งทำกิเลสนั้นยังไม่หมดแต่เราคุมมันได้ ก็สามารถที่จะให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายในสังคมได้แล้วการสงบเป็นสุบภยัยสงบจิตใจก็จะเกิดขึ้นติดตามมาได้นั้นการใช้ปัญญาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องพินิจพิจารณาดูในแต่ละขณะเอาเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันนี้ขนะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรมีหน้าที่อย่างไรก็ทำภาระหน้าที่ตรงนั้น โดยไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นไม่ต้องไ่อ่คว้าภาระอื่นแล้วคุณลักษณะของคนผานก บ, บันดิตที่แตกต่างกันนั้นคือคนพานั้นจะไขว่คว้าภาระที่ยังไม่มาถึงแต่จะไม่ใส่ใจสนใจในภาระที่มาถึงแล้วถึงงานที่ควรจะทาให้ทาแต่ไปคว้างานที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสถานะความเป็นที่ตัวยังไม่ได้เป็นเพรา ะ, ะั้นเวลาช่วงนั้นก็ร้ายประโยชน์ แต่ตัวเองก็แก่ไปโดยลาดับด้วยแต่ส่วนบัณฑิตนั้นจะไม่ควยับความภาระที่อย่างไม่มาถึงแต่จะคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจะพาะหน้าแล้วก็ทําให้ได้จะพาะหน้าในความประณีตเหล่านี้พอ ม, มาเดินถึงด้านจิตใจในการจเจริญกรรมาฐานด้านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามุ่งไปที่ปัจจุบันเท่านั้นให้สติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ของกรรมาฐานที่ใช้กําหนดระลึกในปัจจุบัน ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไร่สงบเมื่อไหรจะได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่หน้าที่ของเราจะทำในขณะนั้นทำอะไรทำอย่างไรเราก็ทำไปอย่างนั้นคือแบ่งกันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ทรงแสดงว่าการไถานาการหว่านข้าวการขายน้ำข้าวนาการทักน้ำออกจากนา การปักดามหรือการเก็บเกี่ยวนั้นการปักดานั้นเป็นหน้าที่ของชาวนาแต่การจะตั้งท้องเมื่อไหร่ออกรวงเมื่อไร่สุกเมื่อไหร่นั้นเป็นหน้าที่ของข้าวคือแบ่งหน้าที่กันให้ถูกต้องแล้วบุคคลจะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปเร่งรัดบังคนละเหตุปัจจัยกันเรื่องการจะตั้งท้องเมื่อไหรออกรวงเมื่อไรสุกเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของข้าวชนิดนั้น แต่ก็อิงอาศัยการประกอบกระทาของบุคคลเป็นประการสาคัญประหากว่าละเลยทอดทิ้งภารกิจที่ควรจะจัดจะทําเกี่ยวกับความเจริญตบโตอของต้นกล้าในการออกรวงก็อาจจะต้องช้าลงดังนั้นจึงส่งสอนเน้นไปที่ปัจจุบันทุกขั้นตอนแม้การดำรงชีวิตยึงสังเกตว่าเช่นบุคคลไม่ควรใส่ใจถึงถ้อยคาเสยงขนของบุคคลอื่นในการกระทาแล้วและยังไม่ได้ทาของบุคคลอื่น แต่ให้ใ NO ส่ใจสนใจถึงสิ่งที่ได้ทำแล้วและสิ่งที่กำลังจะทำของตัวเองเพราะอะไรเพราะเราสนใจเรื่องนี้เราเราแก้ปัญหาได้แต่เราสนสนใจเรื่องคนอื <Spider> ่นเราแก้ปัญหาไม่ได้ยังคนมักถามกันว่าคุณจะได้เป็นอะไรเราจะเห็นว่าถามแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้คือเป็นก็เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นแต่ถ้าถามว่าเราจะทำอะไรในขณะนั้นเราแก้ปัญหาได้ เพราะเราเป็นผู้ควบคุมทิศทางของชีวิตในแต่ละวันนั้นหลักการในพระพุทธศาสนาจึงมองกันที่ปัจจุบันแม้จะมีภาวะตันหาอยู่ก็คือใช้ภาวะตันหาสร้างสถานะความเป็นคือความสํานึกถึงความเป็นของตัวแล้วปฏิบัติภารกิจให้เหมาะสมแก่ความเป็นในขณะนั้นๆั้นก็แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นอะไรกำลังทํำอะไรแล้วก็ใช้ความเป็นในขณะนั้นนั้นของตน ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สถานะของตนตามกำลังความสามารถในการปฏิบัติกรรมฐานในการทำงานในชีวิตประจำวันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุบต่อไป